ก็ความในมัชฌิมนิกายมูลปันา้าศาลยากะสมูดเนี่ยนะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงหมู่ใหญ่เสด็จจาริกไปในแคว้นโกสนหรือว่าโกสนชนบทเนี่ยนะก็เสด็จไปดำเนินไปถึงหมู่บ้านสาลยากะชาวบ้านสาลยากะก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> เมื่อพวกชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเข้าไปนั่งเฝ้าเรียบร้อยแล้วพวกพราหมณ์และเครือห บ, บดีชาวหมู่บ้านสาระเนี่ยนะก็ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคโดมพูดเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถามเถิดว่าอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกเนี่ยนะหลังจาก ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกคือถามสาเหตุนะนะสาเหตุว่าทําไมหลังจากจบชีวิตลงแล้วเนี่ยนะจึงเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถามหาต้นเหตุมาครับพระโคโดมผู้เจริญก็อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้สัตว์บางพวกหลังจากแตกกายตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะคือ เป็นคำถามถามที่เหตนนะุว่าผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะผลคืออบายทุกขติวินบาตนรกผลคือมนุษย์เทวดาและพรหมทั้งหลายสาเหตุหลักของการไปสู่ภบภูมิต่างๆนั้นคืออะไรนะ อ, อันนี้เป็นคำถามแบบคารวะปัญหาเนี่ยนะปกติแล้วการถามเนี่ยมีอยู่สองแบบด้วยกันถามแบบปัญหาของชาวบ้านถามแบบชาวบ้านถาม คือคําว่าถามแบบชาวบ้านก็คืออยู่ในวิสัยที่ชาวบ้านทั้งหลายจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็เจริญได้อย่างเต็มที่นั้นจะมีปัญหาแบบชาวบ้านกับปัญหาแบบนักบวชเนี่ยนะปัญหาแบบชาวบ้านก็จะถามในเรื่องกรรมบวเป็นต้นถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอะไรทำให้ทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อสร้างความเดือดร้อน ปัญหาประเภทที่เรียกว่าต้องการจะละอกุศลต้องการจะเจริญกุศลทากุศลอย่างไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขอกุศลเหล่าใดละแล้วดีเนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่พื้นพื้นที่สามารถเอาไปเจริญเอาไปปฏิบัติแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะักปัญหาแบบนี้เรียกปัญหาแบบชาวบ้านส่วนปัญหาแบบนักบวชเนี่ยนะปัญหาแบบนักบวชหรือบรรพชิตปัญหาก็จะถามว่า สิ่งเหล่านี้หรือหนอเรียกว่าอุปาทานนขันห้าอะไรคืออุปาทานอุปาทานนขันห้าเป็นอย่างไร คือคําถามก็จะลงละเอียดก็คือลงว่าอะไรเป็นปริญยยธรรมควรกําหนดรอบรู้รอบ ร, ร, รู้ยังไงอะไรควรละละยังไงวิธีละมีกี่ประเภทอะไรควรทําให้แจ้งทําให้แจ้งยังไงปฏิบัติอย่างไรว่าทําให้แจ้งได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะข้อปฏิบัติอย่างไรเป็นการปฏิบัติตรงปฏิบัติโคตปฏิบัติแล้วทําให้เจริญทําให้เสื่อมแล้วปต้องปฏิบัติอย่างไรคือนักบวชทั้งหลายเขาก็จะมีมีเวลาขบคิดไข้ค ร, ครวญถึงสิ่งที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้ง ปัญชาบ้านสาระหมู่นี้เนี่ยนะเขาก็ถามปัญหาในคารวะาวิสัยหรือปัญหาในวิสัยของคารวะาว่าต้นทางเนี่ยนะเหตุเห ต, เหตุก็คือทางมรรคปัจจัยเนี่ยนะสมุทัยนิฐานว่าไอ้ตัวเหตุสําคัญที่ทําให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็คืออะไรอะไรเป็นเหตุให้ไปถึงสุขติโลกสวรรค์คือก็บอกโอ้ทําไมมันถามลึกซึ้งมันต้องถามปัญหาระดับถามนิพพานสิ สวรรค์ยังจะไปไม่ได้วันนี้พานอะไรเลย่างนั้นน่มันก็คือต้องมาประจำแนกประเภทว่าวิสัยที่ตัวเองทำได้จริงๆก่อนว่าสิ่งที่จำเป็นปฏิบัติในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยคืออะไรคือบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางครั้งนี้มันมันล่วงเกินล่วงเลยวิสัยปัญหาของตัวเองเนี่ยนะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าวาจีทุจริตเนี่ยมากมายเนี่ยอันนี้ก็แปลว่ามันเข้าใจผิดพลาดอยู่แล้วล่ะ เน่ยพันธธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นโดยจริงๆและพระองค์แสดงไปตามลําดับมันถ้าใครศึกษาปฏิสัมพิธา ม, มาเนี่ยจะรู้ว่าคุณธรรมที่นําออกจากทุกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ30ประชันด้วยกันนะสาประชั น, น, นก็คือกุศลกรรมบท10เนี่ยนะอุปจาระฌานอีกเจแล้วก็สมาบัติอีก8มหาวิปัสสนาอีก8อริยมรรคอีกสี่เนี่ยนะเขจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็ค่อยเรียงขึ้นไปโดยลําดับนั้นเบื้องต้นยังไงก็ไม่พ้น กายสุตจริญวจีสูตจริญแล้วก็มโนสุตจริญเกี่ยวกับเรื่องสุตรจริญทั้งหลายเนี่ยนะเหตุแห่งอบายทุกติไม่หนีบาสนรกเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์นั้นถ้าพื้นฐานโดยส่วนตัวแล้วเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่เห็นมันเลียดลึกซึ้งอะไรเข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยพระสูตรเหล่านี้เขามาเปิดผ่านหมดวู้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเนี่ยนะอันนะคือผ่านตาผ่านหูมาแล้วแต่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะไม่รู้เรื่องเลยทําไมทั้งถามว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เจริญเลย แล้วก็ไม่คิดว่ามีประโยชน์ด้วยไม่คิดว่ามีสาระด้วยโอ้ระดับเรามันต้องสติปัญญาโน้นเนี่ยนะสติปัญญาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะชื่อเฉยๆนั้นได้แต่ชื่อสติ๊กเกอร์แปะหน้าผากไว้นึกว่าชายที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาพื้นฐานเบื้องต้นคือกุศลกรรมบทนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยนะคือคือถ้ากุศลกรรมบทดีแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนนะแล้วก็ทุกคำพีสอนอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะถ้า อ่านพระไตรปิฎกมาเยอะเนี่ยตั้งแต่ไล่พระวิไนเนี่ยก็ยังไงก็ขึ้นต้นด้วยสุดเจริตอยู่แล้วพระวินัยปิฎกก็เป็นเรื่องกายสุจริตว่าจีสุจริตมนโน ส, สุจริญในระดับหนึ่งอยู่แล้วพระสุตธรตปิฎกเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยศีลขันธวัชเนี่ยนะศีลขันธวัชเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็พระสูทั้งหลายเดี๋ยวต่อไปข้างหน้าก็จะมีศีลสุจริญมาก่อนนำหน้าหมดแหละแล้วก็ สังยุตตานิกายก็พูดถึงศีนอีกอนะเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมก็คือศีนแล้วก็ทิฏฐิที่ตรงแล้วก็อังคุตระนิกายก็ศีนที่เป็นกุศลนํามาซึ่งอวิปฏิสารเป็นต้นก็จะสอนเรื่องศีนอีกอนั่นแหละหรือว่าคุ ธ, ธกาณิายทั้งหลายก็คือสอนเรื่องศีลสารณะศีนถ้ายิ่งคัมภีรแรกเลยคุ ธ, ธกาปาทะจะขึ้นต้นด้วยสารณะขึ้นต้นด้วยศีลเนี่ยนะเป็นต้นจะยังไงก็สารณะศีลอีกนั่นแห ล, ละแล้วถ้าเป็นอภิธรรมปิกก็สอนด้วยเรื่องกุศลและ อกุศลทั้งหลายพันกุศลทั้งหลายก็คืออะไรก็คือศีลทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองพราะการศึกษาพระธรรมนะถ้าเราไม่ล่วงเลยวิสัยตัวเองเกินไปเนี่ยนะ คือคือหมายถึงว่าดวงตาเนี่ยดูแต่ดาวเกินไปบางทีเท้ามันก็เลยพ้นดินก็ลงเหวเหมือนกันนอะอันนี้คือต้องระวังว่าตาก็ดูดาวก็ดูบ้างก็ดูไปแต่ยังไงก็อย่าเหยียบเหวก็แล้วกันเพราะว่าบางทีถ้าไม่ระ ม, มัดระวังมันก็เสียหายชั้นใดาการศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยต้องพยายามทําความเข้าใจว่าลําดับของการปฏิบัติแท้จริงอะ่ะชีวิตจริงๆของเราควรจะเริ่มต้นตรงไหนจุดใดเนี่ยนะที่มันเป็นสาระเป็นแกนสารที่ปฏิบัติแล้วไม่ต้องร้องไห้ในวันหลัง ปฏิบัติแล้วไม่ต้องหลังน้ําตาสะอื้นในอกในวันหลังว่าเออทำไมเราผิดพลาดได้ขนาดนี้พันการอย่างว่าการปฏิบัติเนี่ยพย า, ายามใส่ใจเสมอว่าคําสอนพระพุทธเจ้าบอกเราว่าอย่างไรเนี่ยนะพยายามให้ใจเนี่ยท่องเที่ยวไปในพระสูตรให้เยอะๆเนี่ยนะโดยเฉพาะพระสูตรที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอย่าจับเอาแค่คําคมแล้วมาเฉือนกันเล่นเนี่ยนะมาเฉือนกันเล่นมันซึ่งไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็ ยิ่งทำอย่างนั้นมากคู่เวรก็ได้ขึ้นอีกเพิ่มอีกเยอะเนี่ยนะเรจะได้คู่เวรเพราะมีแต่คำเชือดคำเฉือนค ำ, คำคมเนี่ยนะก็บาดใจตัวเองกันแล้วก่อนเนี่ยนะเพราะว่าเชื่อตัวเองสําเร็จแล้วแหะจึงเชื้อคนอื่นได้เสร็จแล้วก็ได้คู่เวรกันตลอดชาติมันอันนี้ต้องระวังว่าคําสอนที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกประกาศนั้นจะมีเบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดอย่าลืมว่าเบื้องต้นอย่างไรก็คือศีลและสมถะทั้งหลายสมถะนั้นอะ่ะอยากคิดว่าโอ้นั่งนิ่งไม่ใช่นะ สมถาคือเมตตาเนี่ยนิ่งไหมล่ะจู่เฉยๆยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมเมตตาเนี่ยไม่ยงังสูตรก่อนเมื่อกี้บอกว่าเจริญเมตตาก็คือแผ่เมตตาจิตคิดว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดแล้วความคิดอันนี้มันแผ่กระจายออกไปล่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้นิ่งแบบไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีวิชาอะไรเลย เพรทั้งศีลก็เป็นก็ดีสมถะก็ดีเนี่ยนะเป็นเรื่องของการปูฐานรองรับการเจริญวิปัสสนาอริยมรรคซึ่งเป็นท่ามกลางในพระศาสนาอริยผลและพระนิพพานนั้นเป็นอันดับสุดท้ายพราะนั้นก็ต้องพยายามทำความเข้าใจซึ่งเรื่องของสุดจริตเนี่ยนะอยะว่าแต่คารวาด พระพิสูจที่บวชเข้ามาพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มสอนโดยลําดับข้อปฏิบัติตามลําดับก็เรียกจะสอนเรื่องกุศลกรรมบทก่อนแต่เรียกอีกชื่อหนึ่งเท่านั้นเองเรียกอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสิกขาและสาชีพของพระพิสูจทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าสิกขาและสาชีพแต่ถ้าเป็นของคารวะทั้งหลายก็คือกุศลกรรมบทซึ่งจําแนกออกมาเนี่ยนะของคารวะาไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่แต่ของพระพิสูจเนี่ยจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม อ, อีกค่อนข้างมาก ย้อนกลับมาเนี่ยนะว่าชาวบ้านหมู่บ้านสาระเนี่ยทุกคนสําถือตัวว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีมีความคิดอยู่บอกอุย้ยท่านพูดอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็รู้เรื่องฟังยังไงเราก็ฟังเข้าใจไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้ยุ่งยากหรอกตอบนิดๆหน่อยๆก็รู้เรื่องแล้วระดับเราเนี่ยนะไอระดับเราเนี่แหละดีนักพระองค์ก็ตอบเนี่ยนะตอบแบบคําตอบปราบเสียนเลยว่าพราหมณ์และขุรห บ, บดีทั้งหลาย ความประพฤติไม่เป็นธรรมเรียกว่าอธรรมจริยาความประพฤติไม่สม่ำเสมอเรียกว่าวิสมจริยาเป็นเหตุโดยแท้อันนี้คือเหตุสำคัญเละบอกตรงๆก็คืออะธรรมและไม่สม่ำเสมอนั่นแหละเป็นเหตุให้สัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายกายแตกเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกผนเห็นหมูเดรชานทั้งหลายก็นี้แหละอะธรรมและวิสมจริยาอะธรรมจริยาวิสมจริยา วันอบายทุกขติวินิบาตนรกมูเดรชานทั้งปวงเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากอธรรมเกิดจากการประพฤติไม่เป็นธรรมเกิดจากการประพฤติไม่สม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกพรามและครือ บ, บดีทั้งหลายความพฤิประพฤติเป็นธรรมธรรมจริยาสมจ ร, ริยาความประพฤติสงบเรียบร้อย อันนี้แหลเป็นเหตุที่ทําให้มูสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกอย่างนี้แหลนะเพราะฉะนั้นประตูแห่งสุคติโลกสวรรค์ก็คือสุจริตธรรมประตูแห่งอบายทุกติวินิบาตเราก็คือทุจริตทั้งหลายมันทุจริตนั้นเป็นเหตุแห่งสุคติทุจริตนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุคติสุจริตนั่นแหละเป็นเหตุแห่งสุคติเนี่ยนะ คือกลุ่มนี้เนี่ยนะเป็นชาวบ้านที่เขาคิดว่าอตอบนิดๆหน่อยๆเขาก็รู้เรื่องทีนี้พระองค์ก็ตอบสั้นแต่ตอบตรงประเด็นะนะแต่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลยบอกตามตรงว่าพวกข้าพเจ้ายัางไม่เข้าใจใจความขอ ง, ของคําพูดที่ท่านพระโคดมกล่าวโดยย่อนี้อย่างพิสดารได้คําพูดที่ยังที่ท่านยังไม่แจกแจงจะเข้าใจโดยพิสดารทั่วถึงอย่างไม่ได้คืออะไรที่ยังไม่แจกดูถ้าจะเข้าใจยากเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าขอโอกาสกระว่าขอประทานพระวโรกาสให้พระโคดมผู้เจริญแสดงคำแสดงโดยประการที่พวกข้าพเจ้าจะพึงเข้าใจความของคําพูดที่ท่านพระโคดมกล่าวโดยย่อนี้อย่างพิสดารได้คําพูดที่อย่างไม่แจกแจงก็ให้เข้าใจได้อย่างพิสดารโดยทั่วถึงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คําตอบพระพุทธเจ้าก็ตอบง่ายมานะอธรรมจริยาวิสมจริยาเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตนรก ธรรมจริยาสมจริยานี่แหละเป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์เอธรรมจริยาคืออะไรอะธรรมจริยานี่คืออะไรเฮงงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพรามและเครือ บ, บดีทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าฆ่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตรัสอย่างนี้สูนี้เป็นธรรมมาที่ฐานกล่าวแต่ความประพฤติ กล่าวแต่ทำรรไม่กล่าวบุคคลเรียกว่าธรรมมาทิฏฐานอนนะไรสูตรข้างหน้าต่อไปจะเป็นปุคลาทิฏฐานสูตรนี้ยกธรรมะขึ้นเป็นหลักเนี่ยนะบอกว่าพราหมณ์และเครื่าย บ, บดีทั้งหลายความประพฤติไม่เป็นธรรมอธรรมจริยาเนี่ยนะความประพฤติไม่สม่ำเสมอวิสมจริยาทางกายเนี่ยมีอยู่สามอย่างอธรรมทางกายมีสามความประพฤติไม่ใช่ธรรมทางกายมีสาม ความประพฤติเพื่อทําลายธรรมทางกายมีสไม่ใช่ธรรมก็คือทําลายธรรมทาลายสุจริตธรรมทําลายกุศลธรรมทางกายนี่มีอยู่3ามอย่างด้วยกันความประพฤติไม่เป็นธรรมความประพฤติทําลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ําเสมอทางวาจานี้มีอยู่4อย่างด้วยกันความประพฤติเพื่อทําลายกุศลธรรมเนี่ยนะอะธรรมเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทําลายกุศลธรรมเนี่ย สิ่งที่ประพฤติแล้วทําลายกุศลธรรมประพฤติแล้วไม่สม่ําเสมอทางใจมีอยู่สมอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะทําลายความดีทางกายมีสามอย่างทําลายความดีทางวาจามีสี่อย่างทําลายความดีทางใจมีสมอย่างเนี่ยนะเพราะอธรรมคือประพฤติทุจริตหมายถึงสิ่งที่มีโทษเป็นแต่ปฏิบัติต่อธรรมะฆ่าธรรมะปฏิสลายธรรมะเบียดเบียนธรรมะเนี่ยนะเหมือนยาพิษผสมไปในน้ำใสเนี่ยนะทำให้กลายเป็น น้ำมีพิษน้ำหมดคุณภาพอธรรมทั้งหลายด้วยกายวาจาใจเหล่านี้เป็นตัวที่ทําลายนะทำลายธรรมาทางกายวาจาและใจก็เลยเรียกว่าอธรรมเจริยาความประพฤติ ท, ที่ไม่เป็นธรรมหรือความประพฤติ ท, ที่ทําลายกุศลธรรมทางกายสามความประพฤติที่ทําลายกุศลธรรมทางวาจาสี่ความประพฤติ ท, ที่ทําลายกุศลธรรมทางใจมีอยู่สามอย่างด้วยกัน คามและครืา บ, บดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่เป็นธรรมเป็นการประพฤติที่ทำลายกุศลธรรมความประพฤติที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะไม่เรียบร้อยทางกายสามอย่างสามอย่างอะไรเล่า